อุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วสแสวงหาคณะอาจารย์บาตรหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกฎดสวดจบยะติต้องอบัตทุกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกฎดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้ประชาต้องอบัตปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุกฎ